a n r i g a ตันหาภายในก็คือต้องการจะช่วยญาติมิตรบริวารของตนเองนะให้มีความสุขมันเป็นธรรมชาติที่เหมือนกันกับอะไรนะเหมือนกับคนที่มีจิตใจกว้างขวางน่แหละ ช่วยญาติมิตรได้ดีดูแลญาติมิตรได้ดีละเกินอย่างเงี้ยทวดอีกวิทเพศหนึ่งก็คือว่าตัณหาที่มันออกไปข้างนอกอยากจะช่วยคนทั้งหมดเลยอ่นมันก็เป็นเป็นลักษณะของตัณหาสายเรือนเหมือนกันต้องสังเกตให้ดีนะว่ามันคล้ายตันใช่ไหมมันอาศัยอากามคุณเหมือนกันแต่มันเป็นไปกับภายนอกเขาเรียกปรัฏฐะตัณหาตัณหาที่มันวิ่งไปข้างนอกโหย นักสังคมสงข้อาะว่างั้นเถอะช่วยเลยอยากจะไปช่วยพวดทุกข์เขาเพราะวิชาที่เรียนมามันจะช่วยเนี่ยหมอก็อยากจะไปพา่าตัดช่วยเขาเรื่อยสมมติเนี่ยนะแต่ว่าถ้าตรึกไม่เป็นแต่อย่างหมอนี่ก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็เรียนสติปัฏฐานแล้วนี่ใช่ไหมก็วางจิตก็น่าจะเป็นอยนะ่างนะแต่ทางนั้นมันก็วิ่งอยู่สองทางนี่แหละแต่ก็ก็ช่วยเห็นไหมลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าผ่านอารมณ์ทั้งหกนั่นแหละ ผ่านรูปเสียงกินรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องกันในด้านของการมคุณเขาเรียกว่ายังเป็นสมณัติ อ, อิงอาศัยการมคุณโดยผ่านถาวรทั้งหกตรงนั้นเดี๋ยวจะไปแสดงในสกกาปนาสูตรนะเดี๋ยวก็จะแสดงพระบรมศาสดาก็แสดงแนวทางสุขไว้ว่าในทางสุขนะเนี่ยเสวิตตพัชสุข ก, ก็คือสุขที่ควรเสพสุขที่ควรเสพเป็นเนขคขมมะสิตาสมณัเวทนาไป อันนั้นเป็นเวทนาที่ควรเสพเพราะเสพแล้วทําให้ศีลสมาธิปัญญาเจริญเนี่ยถ้าอย่างนั้นอ่ะควรเสพแต่ถ้าเสพแล้วศีลสมาธิปัญญามันหลุดหายอันนั้นก็เป็นอะเสวิตตพสุขสุขที่ไม่ควรเสพเป็นเ ค, เคหิตะสมรสเวทนาก็คือเวทนาที่อาศัยเรือนดังกล่าวนะอาศัยเรือนในมหาสติปัฏฐานสูตรทรงแบ่งสุขเป็นสองฝ่ายนะ คือในส ก, กปัญหาสูตรนั้น น, นท่านแบ่งเป็นสองฝ่ายเหมือนกันเดี๋ยวมาสรุปตรงนี้ต่อในรายละเอียดก็จะไปตามดูแต่สรุปไว้ก่อนนะสรุปย่อไว้แล้วไปขยายอีกทีในภาคของชั้นของอัตถกถาและดีกานี่นะแต่ตอนนี้ครับควรเสพถ้าในสก abroad สกา b r o a d นี่นะสูตรที่พระยพระท้าสก a ไปถามทูลถามปัญหาพระบรมศ า, ศาสดาเนี่ย พระองค์ใช้คําว่าเสวิตตภะสุขสุขที่ควรเสพอันนั้นเป็นเนคขมมะสิตาโสมนัสเวทนาไปอเสวิตพภะสุขก็คือสุขที่ไม่ควรเสพอันนี้หมายถึงเคหะสิตาโสมนัสเวทนาถ้าในสติปัฏฐานสูตรที่เรากําลังศึกษากันเนี่ยท่านแบ่งเป็นสองฝ่ายสุขเนี่ยนะเป็นสามิสสุขกับคือสุขทางใจกล่าวคือเขหะเคหะสิตาโสมนัสเวทนาหที่เจือด้วยอมิตรคือกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส นั้นฝ่ายหนึ่งนะและเกิดขึ้นโดยสายเหตุที่เกี่ยวกับบุคคลพวกสายอยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นต้นอ น, นั้นเป็นเคหะสิตาสมุนรัตน์นะนะได้ แ, แก่สมนุนรัตที่ได้รับอารมณ์หคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์เป็นต้นนะที่เป็นฝ่ายอิทถารมณโดยอาศัยทางทวารทั้ง6คือทางจักุทวารโสตวทว า, ารคานทวารคิวหาทวารกา ย, ยาทวารมโนทวารเนี่ยนะเช่นสมุนัตคือความดีใจในการได้ซึ่งอารมณ์6อย่างใดอย่างหนึ่ง นะั้นเป็นอิทธารณมที่ตนเองชอบใจนะในโสมนัสด้วยความดีใจที่บุคคลในครอบครัวประสบความสำเร็จเป็นต้นอันนี้ก็เป็นไปในลักษณะของสามิ ส, สุขสามิ ส, สุขนะเนี่ยสุขอิงอิงอมิตนั่นแหละอิงอมิตนะอิงอมิรก็ต้องเกี่ยวข้องกับว่าเป็นเคหะสีตะโสมนัสเวทนา6ประการที่เจือด้วยอมิตนะถ้าไปเจือด้วยรูปแสงกล็ร้สัมผัสแล้วเป็นเจือด้วยอมิรหมดเลย เพราะตอนนั้นเป็นกิเลสกรรมที่เกิดขึ้นกับโสมนาสเวทนานั้นน่ะไอ้ตัวกิเลสกรรมนั้นน่ะในชั้นของดีกาอนุดีกาหรือในชั้นของมูลฎีกาเนี่ยท่านใช้คําว่าอามักศบนั้นน่ะอมัคันทะคือกลินน่ะกินคาวกิ่นคาว ก, นาวกินดิบนั่นเองกินคาวมันเหม็นไอราคาโทสาโมหะนี่แหละมันตัวเป็นตัวกลิ่นเหม็นโมหะมานทิเทีย ว, วิจิชายนการโนตปานี่แหละอุทะจานี่แหละ มันเหม็นกลิ่นเหล่านี้มันเหม็นตลอดเวลาในทัศนะในสายตาในความรู้สึกของปรยายญแล้วเนี่ยถ้าใครยังมีกลิ่นดิบเหล่านี้เดินผ่านท่านเหม็นท่านจะเหม็นมากใครมาเดินเฉยกลิ่นอย่างเงี้ยนะถ้าไปเดินผ่านท่านก็ท่านจะตําหนิเราที้มันเดินเฉยกลิ่นอยู่ได้ไม่รู้จักปิดเลยว่างั้นนะหัดปิดกลิ่นบ้างมาควบคุมกลิ่นบ้างอย่าให้กลิ่นเผยออกมาเนี่ยนะอย่างเราเนี่ยมองปุ๊บกลิ่นก็เผยโชยออกมาฟัางเสียงปับ๊บกลิ่นก็เฉยออกมาใช่ไหม กลิ่นมันก็โชยออกมาเรื่อยเลยเนี่ยนั่งใกล้ผ้ะอย่าทำกลิ่นโชยออกมาเนีย <c oughs> ใช่ไหมกลิ่นดิบใช่ไหมกลิ่นดิบนี่เห็นไหมท่านพูดเพื่อให้ให้เกิดความรู้สึกว่าหน้าใสอิสเอียนกลิ่นนี้แต่เรากลับไปบอกโอ้โหคนนั้นกินเนื้อคนนั้นกินผักยุ่งเลยเนี่ <c oughs> นี่ไม่ใช่อันนั้นไม่เรียกว่ากลินดิบถ้ากลิ่นดิบก็ไปชื่อของราคาโทสาโม่อันเนี้นี่คือสามิสุขสุกอิงามิสใช่ไหม นิรามิสุขสุขทางสุกไม่อิงเนี่ยนะเป็นสมณสเวทนาที่เป็นทางใจนะที่ไม่เจือด้วยอมิตรก็คือไม่เจือด้วยกรรมคุณคําว่าไม่เจือด้วยกรรมคุณในที่นั้นน่ยกามคุณเป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนั้นเป็นวัตถุกรรมพูดถึงวัตถุกรรมเนี่ยต้องเพ่งถึงกิเลสกรรมด้วยนะเพราะมีลำพังวัตถุกรรมในพระอรหันต์นั่นก็เจียวข้องอยู่นะอย่าลืมนะแต่ท่านไม่มีกิเลสกรรมใช่ไหมท่านไม่มีอ้ำไม่มีกลิ่นดิบเนี่ยไม่มีกลิ่นคาว ของกิเลสกรรมเนี่ยมาชาบติดเหล่านั้นแล้วท่านจะบริโภคเนื้อก็ได้ท่านจะบริโภคผักก็ได้ใช่ไหมไอ้ทั้งอย่างเราเนี่ยตรงเนี้ยนะให้สังเกต ด, ดูดีว่าถ้าในชั้นของกุศลศีลถ้าปฏิโมกสังวองนศีลไม่ดีเนี่ยไอ้พวกบาปหยาบๆเราคุมไม่ได้เล ย, เยใช่ไหมคุมไม่ได้แล้วบาปที่มันเผยออกมาทางกายทางวาจาที่ถือว่าหยาบสุดแล้วนะแต่เราก็แอบเผยมาให้คนตาดีทั้งหลายก็มองเห็นกันอยู่เรื่อยเลย บัณฑิตเนี่ยเขาดูรู้ที่บอกว่าเขาดูคนที่ไม่มีศีลก็ดูรู้เพราะเขาดูที่มันเผย อ, ออกมาที่จากการที่มันโทษการล่วงละเมิดไงมันก้าวล่วงออกมาแล้วเนี่ยออย่างสมมติว่ากําลังสาธยายพระธรรมของพระพุทธเจ้ามีคนสาธยายพระธรรมให้ฟังอยู่คนก็ทีนามิทาเกิดเนืบเนืบยังไงเผย อ, ออกมานล้วเนี่ยเผยออกมาอย่างเยิ่งเัี้ยออกแล้วถ้าอย่างนี้ล่วงละเมิดไหมล่วงละเมิดก้าวล่วงแล้วไม่มีอวิตริกธรรมแค่นี้ถือว่าไม่มีอวิติกธรมะ สิกขาสามไม่เดินนั่นแหละศิกขาสามไม่เดินอ้าวถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะไปปฏิบัติเอาอะไรเอาอะไรไปปฏิบัติเอามาถงถามว่าเอาอะไรไปปฏิบัติอ้ายมอมบอกว่าจะเอาอะไรไปปฏิบัติมันไม่เข้าใจอย่างนี้จะปฏิบัติยังไงจะทํายังไงให้ศีลเดินได้เอาสิดีเนี่ยถ้าทําได้หมดแหละจะนั่งกรรมฐานก็ได้จะเดินจงกลมก็ได้ใช่ไหมจะยืนจะเดินจะนั่งตลอดวันก็ได้แต่ไม่รู้เรื่องศีลเนี่ยจะทํำยังไง ไปคิดว่าศีลมันจะเกิดเองในห้องกรรมฐานไปคิดว่าศีลมันจะเกิดเองในห้องกรรมฐานมี่สมมติทีู่่คิดอย่า ง, ü, ออางเงี้ยแล้วแต่ข้อเท็จจริงมันเดินได้จริงไหมล่ะถ้าไม่เข้าใจอะมันก็เดินไม่ได้มันก็เดินไม่ได้ดไไดวันก่อนมาไปบรรยายที่ยะ ย, ย, ยาเนี่ยก็มีคนหนึ่งเขาปฏิบัติมาเนี่ยเขาบออ่าถ้าไม่ไ ม, ถไม่ถ้าไม่คุมพื้นที่อ่ะใช่ไหมก็เป็นการจะล็อกพื้นที่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ทําให้เราไม่ค่อยได้เห็นอะไรบาปก็จะได้เกิดน้อยามาบอกว่า คนติดคุกห้าสิบปีก็ล็อกพื้นที่ไหมเขาล็อกพื้นที่ไหมให้ทำไมได้บาปล่ะมันไม่รู้เรื่องทำามาบอกมไม่รู้เรื่องให้มันรู้เรื่องก่อนเถอล็อกพื้นที่นะดีการควบคุมพื้นที่นะดีเพราะเขาก็อยู่ได้บางคนเนะ่ยอยู่จนไม่อยากออกในคุกเนะี่ยแต่เขาทุศีลทุกวันเดี๋ยวสินี่คนไม่รู้เรื่องต่อให้เอาไปจํากัดอยู่ในห้องก็มไม่รู้เรื่องให้เขารู้เรื่องศีลก่อนที่จะจะไปเดินกุศลศีลเนี่ย น, นะใช่ไม่ใช่ ผมมาก็เลยถามเองเขาบอกเออเอาละที่โยมทํามายี่สิบกว่าปีเอา้ามันเรื่องของโยมแล้ว น, ะนั่นแน่ไม่ใช่เรื่องของพระใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของพระก็ยอมก็ทําไปทุกคนก็ทําไปอย่างนี้ทั้งนั้นแหละถ้ามันรู้ผิดมันก็คือผิดถ้ารู้ถูกมันคือถูกเลยพร้อมเป็นอย่างนั้นถ้าผิดจะให้มันถูกมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจน่ยจะไปรีบเข้าไปทําไมแต่ถ้าเข้าใจแล้วน่ะเข้าได้ดีด้วยทำไมหลีกเลน่นเป็นเรื่องที่ดีไง ถ้ามันมีการหลีกเล่นมีการหลบหลบในการที่จะเจริญกุศลนี่ขัดเกลากนเนี่ยเพราะตัวเองมีข้อมูลชัดนี่ยังไม่ชัดเลยทำยังไงเนี่ยเป็นอย่างเนี้ตรงนี้ก็คือว่านิรามิ ส, สุขสุขทางใจนะสมนัตนะหมายถึงสมที่ไม่เจือด้วยอามิตคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้แก่สุขที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเนคขมมะก็คือกุศล น, นะการบวชการเจริญศิกขาสาม น, นั่นเอง การเจริญสติปัฏฐานน่เองที่รับอารมณ์6ที่เกี่ยวข้องเพราะจริงๆแล้วในการเจริญสติปัฏฐานนี่นะการเจริญสติปัฏฐานก็ออกก็ต้องใช้อารมณ์6นั่นแหละก็ต้องเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์ที่เป็นฝ่ายอิทธาลมเนี่ยนะในทวารทั้งหกมีจักขุทวารโซจักรทวารคารทะวารชิวหายทวารกายะวารมโนธวาน เวทนาที่เป็นที่เกิดทางทวารทั้งหเนี่ยเวทนาที่เกิดทางจากาักรุทวารโสตทวารกานาทวารยิงยาทวารกายยตทวานเนี่ยเป็นต้นจะถึงมโนทวานใช่ไหมโดยเฉพาะต่าหากก็เป็นโสมณสเวทนาก็เป็นทางใจไปทางใจที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้ง6อารมณ์ทั้ง6มันก็ผ่านทงางทวารทั้งหกมานี่ยเละรูปอารมณ์ก็ปรากฏทางจักรุทวารไปต้นเหล่านี้ด้วยนั่นส่วนหนึง่งแล้วก็เชื่อมลงสู่มนโนทวานใช่ไหมทใานส่วนหนึง่งในกรณีที่ไปวิจัยอารมณ์6เหล่านี้นี่แหละ ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้ผ่านทั้งนั้นเลยเนี่ยนึกนวลอดีตอนาคตต่างๆเหล่านี้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็โดยตรงจากทีทั้งมโนท ว, วารลวิถีรับอารมณ์ใช่ไหมก็คือรับอารมณ์6ในกรณีที่ใครควรพิจารณาเบ็ดเสร็จแล้วก็รู้ลักษณะเป็นต้นแล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เป็นต้นผ่านทวารทั้งหก็น้อมมาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้นะ ก็เกิดโสมนัตเกิดปีติโสมนัตบอกว่าแม้รูปทั้งหลายในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตท่านบอกว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันล้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปดับไปแล้วคลายไปเป็นธรรมดาเนี่ยนั่นเกิดโสมนัตขึ้นเอาทำไมถึงโสมนัตมหากรุสเนี่ยเป็นโสมนัตได้ไหมนั่นไงวิปัสสนาเป็นโสมนัตอย่างนี้ก็เรียกว่านิรามิสุข สุขคือสมนัสที่ไม่เจือด้วยกรารมคุณว่าบางคนอาจจะแปลกใจนะว่าเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความไม่งามเป็นต้นและโสมนัสได้โสมนัสได้เพราะเป็นมหากุศลญญ์ไงมหากุศุไม่มีหน้าแห้งแหง้ไม่ใช่หน้าหงอยหงอยเงาเงาแน่นอนไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นประหลาดแล้วกุศลญญ์นี่ประหลาดแล้วกุศุญญไมเกิดอย่ง น, นัแต่แต่กุศุก็ไม่ใช่ ล้มลงกลิ้งหัวเลาอ ต, ต, ตัวตัวงอเลย น, นี้ก็ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยในกรณีอย่างนี้ก็คือว่านิรามิต ส, สุขก็คือมีความสุขหรือที่เรียกว่าสมณสเวทนาที่เกิดขึ้นโดยการปราบเนคคข ม, มะก็มีการออกจากกามแล้วก็ศิกขาสามนั่นเองนะสิกขาสามที่เกิดจากการปราบเนคข ม, มะดังที่ได้กล่าวแม้แต่ การปฏิบัตินีในชั้นของคําสอนแต่เดี๋ยวจะไปขยายอีกทีนึงนะีในชั้นคําสอนที่บอกว่าเป็นในส่วนของการเจริญอนุสติกรรมฐานและการบรรลุฌานมีปฐมอาจารย์เป็นต้นเนี่ยก็ยังจัดว่าเป็นเนี่ยข ม, มาเป็นต้นอันนี้เดี๋ยวจะไปขยายในรายละเอียดแต่ตรงนี้มาดูในชั้นของเวทนาก่อนเนาะในเวทนาเมื่อวานเนี่ยที่ปรารลบในเรื่องของเวทนาสรุปอย่างนี้ที่พูดถึงในเรื่องของเวทนาทั้งหลายที่กล่าวไว้แล้วเนี่ยเวทนาที่กล่าวถึง ในเรื่องของคําว่าเวทนาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดเล็วปราณีตใกล้ใกลเป็นต้นที่มาขยายกันเนี่ยนะขยายเกี่ยวในเรื่องเวทนาทั้งหลายทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของเวทนาก็พูดถึงในชั้นของเวทนาทั้งที่เป็นยาตาจีเวทนาเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเวทนาอาดีตเวทนานาคตและเวทนาที่เป็นไปในปัจจุบันเขาพูดถึงรักในทการสืบต่อ เวทนาที่ประกอบไปด้วยสัทธาเวทนาที่ประกอบไปด้วยวิรยิยะเวทานาที่ประกอบไปด้วยสติสมาธิเวทานาที่ประกอบไปด้วยปัญญาเกิดแก่ผู้พบเห็นพระพุทธรูปฉะนั้นยังยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เราเจริญพุทธคุณดังกล่าวแล้วการเจริญพุทธคุณการระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดานึกถึงว่ทานบารมีของพระเจ้านึกถึงศีลบารมีของพระเจ้านึกถึงเนคขมานึกถึงปัญญาบารมีของพระบรมศาสดาเป็นต้น สัตทินรียก็โลดแล่นกุศลจิตวิบากก็เกิดในขณะนั้นเนี่ยนะที่พบเห็นพระพุทธรูปหรือพุทธเจดีทั้งหลายต้นพระศรีมหาโพลสถานที่ประสูติสถานที่จัสรู้สถานที่แสดงธรรมจักให้เป็นไปสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพานสถานที่ที่พระบรมศา ส, สดา ท, ทรงใช้สอยทั้งสิ้นเนี่ยนะการระลึกนึกถึงอย่างนั้นปรารถนาจักไปเฝ้าพระบรมศา ส, สดาเพราะว่าอันนั้นเป็น พระศาสดาใช่ไหมคนบางคนพาพูดอย่างเงี้ยก็เอ๊ให้มาเอาสูตรรองรับใช่ไหมว่ากรณีสถานที่เหล่านี้เป็นพระศาสดาอย่างไรพรศาสดาก็ตรัสก่อนจะปรินิพานไงว่าดูก่อนใช่ไหมภิกษุทั้งหลายเนี่ยสถานที่ควรไปดูไปแลเพื่อเปิดเกิดทาให้เกิดทํามาสังเวชในสังเวชานั่นแหละก็คือสถานที่ตถาคตประสูตร สถานที่ตถาคตตัดสรู้สถานที่ตถาคตแสดงธรรมจักให้เป็นไปสถานที่เสด็จดับขันเข้าไปในนิพพานของตถาคตเป็นต้นเมื่อไปแล้วจะยังสังเวยค้ให้เกิดขึ้นสังเวคะในขณะนั้นจะทำต้องเธอจะทําให้ศิขขาสามนั้นเดินขึ้นในกุศลจิตนี่ไงพระศาสดาไปเราต้องการที่จะไปทําไปเห็นพระศาสดาตรงนี้ก็คือพระธรรมเป็นพระศาสดาใช่ไหม ฉะนั้นเมื่อพระบรมศาสดาบอกสถานที่เหล่านี้กําหนดเจดีย์เหล่านี้ไว้กําหนดสถานที่สการะบูชาเหล่านี้ไว้เช่นท่าสเตเจดีย์บ้างบริโภคเจดีย์เป็นต้นบ้างสถานที่เหล่านี้ไปแล้วเพื่อยังสัตทินทรีย์ให้ตั้งมั่นในคุสจิจุบาทที่นี่เวทนาก็โลดแล่นโดยเฉพาะสมนสเวทนาก็โลดแล่นในกระแสใจบ้างอุเบขาเวทนาก็โลดแล่นในกระแสใจบ้างที่เป็นไปในขณะนั้น ฉะนั้นในขณะที่สัตทินรีเกิดขึ้นเวทนาก็เป็นไปกับศรัทธาวิริยะเกิดขึ้นวิรยิยะเวทนาก็เป็นไปกับวิริยะสติเกิดขึ้นในการระลึกเป็นอนุสตินั้นน่ะเวทนาก็เป็นไปใช่สมาธิเกิดขึ้นตั้งมั่นในคุณของพระรัตนไตรเวทนาก็เป็นไปเพราะเป็นกุศลและปัญญาก็วิจัยเห็นภ้าทานบารมีศีลบารมีของพระบรมศ า, ศาสดาที่สั่งสมตอนเป็นพระโพธิสัตว์สามารถ สั่งสมเป็นอัตยาัยเป็นปัจจัยแก่สัมาสัมโพฏิญานทาให้เต็มได้ที่บอกว่าแม้เอาแผ่นดินทั้งสิ้นมาเนี่ยที่บอกว่าทานบา ร, รมีของพระบรมศาสดานั้นมากกว่ า, มาเมล็ดฝุ่นในพื้นชมพูทวีทั้งหมดเนี่ยที่พระองค์สละมาแล้วมากกว่านั้นนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้โหพระเจ้าเนี่ยกว่าจากักรที่บอกว่าสัตว์ในแสนกว่าจักรวาลทั้งหลายเอาทานมารวมกันไม่สู้ทานบา ร, รมีของพระมหาบุรุษ ที่คิดยังไงเนี่ยใช่ไหมเขาจะคิดยังไงเนี่ยเอะแต่ก่อนเราก็นึกว่าเป็นผู้ให้มากที่สุดนะย่าไปเที่ยวกับพระพเจ้าเนะี่ย่งเลยเนี่ยยุ่งเลยเนะยี่ยนะบางทีเนะี่ยคนที่เขากล้าถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาเนะี่ยมาก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากนะเออเขาคิดได้เออแปลกนะยกแผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชาได้ก็ไปนึกถึงพระเจ้าเทวานำไปยติดส า, าไปนึกถึงพระเจ้าโศกหมหาราชใช่ไหมไปนึกถึง พระราชามหากษัตริย์ก่อนๆทั้งหลายต่างๆเรานี้ยนะไปพิจารณาถึงพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านปกครองเมืองปกครองแคว้นต่างๆท่านก็ถวายเป็นพุทธบูชาเรื่องต่างๆนั้นมันเลกถึงโอโห้หกล้าสละขนาดที่นาย ไ, ได้ไม่ใช่แต่แผ่นดินอย่างเดียวท่านก็ทั้งหมดของท่านสมบัติที่ท่านดูแลอยู่นี่มะยกถวายเป็นพุทธบูชาในกรณีอย่างเนี้ยบอกว่ า, วา เห็นพระพุทธลูบเห็นคุณของพระบรมศาสดาฟังทำตลอดวันที่นับเนื่องอยู่ในวิถีเดียวกันชวนะเดียวกันสมาบัติเดียวกันมีอารมณ์เดียวกันเป็นเวทนาปัจจุบันนะโดยการสืบเนื่องเนี่ยเข้าใจปัจจุบันนี่ยังเนี่ยเวทนาปัจจุบันเป็นแบบนี้เอาที่ยอมสุวรรณใจระลึกได้หนึ่งชั่วโมงระลึกไปเนีเวทนาสืบเนื่องอย่างนั้นเน่ะอันนัเวทนาปัจจุบันนอาที่ลงวิถีไม่นับขึ้นวิถีใหม่เป็นกุศลต่อ เนี่ยเวทนาสืบเนื่องอ่ะเป็นเวทนาปัจจุบันว่าไปฟังธรรมสิบสองชั่วโมงอย่างพระเจ้าเป็นดินรังกาใช่ไหมที่ฟังธรรมอยู่ท้ายสลายืนฟังธรรมงันประนมมือพระแสดงพุทธคุณในคาถาสิบสองชั่วโมงอ่ะพอแสดงจบปุ๊บท่านกรสาทุ่สาทุสาทู่สามครั้งอ่ะพระคถามหาวพีศ บอกว่ามาตั้งแต่เมื่อไรบอกมาตแต่เมื่อตอนหกโมงเย็นแล้วบอกโอ้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากบอกไม่ใช่แค่ยืนนะท่านในขณะที่ฟังเนี่ยโยมไม่ได้ส่งหรือพลาดจิตไปท่างอื่นเลยเนี่โอ้ทำได้ยากบอกยังฟังไม่อิ่มเลยศรัทธายังไม่ยังไม่หยุดเดินเลย ต, ตอนเนี้ว่างั้นนะเวทนายังเป็นปัจจุบันอยู่เลยพระคุณจเจ้าจะพูดอย่างเงี้ยพระเถระว่างั้นแต่ตอนนี้เวทนายังเดินเป็นปัจจุบันอยู่เลยเพราะยังไปกับศรัทธายอยู่ว่างั้น ขอใหพ้พระคุณเจ้าเนี่ยอุปมาพุทธคุณในฟังยิ่งๆขึ้นไปหน่อยได้ไหมพระเทรซก็อุปมาเลใช่ไหมอุปมาเหมือนกับว่ามีบุรุษคนหนึ่งไปเกี่ยวข้าวสาลีขึ้นมารวงเดียวเนี่ยข้าวสาลีมเมล็ดหนึ่งรวงนั่นแหละเท่ากับพุทธคุณนักขาที่อาตมาสแสดงคืนนี้แต่มเมล็ดข้าวทั้งหมดน่ะในในชมพูทวีปทั้งหมดนั่นแหละที่ยังไม่ได้เกลี่ยเกี่ยวขึ้นมาชูให้ดูนั่นะแหละคือคุณของพระเจ้าที่ยังไม่ได้เก่าไนงะโอ้ยทันก็ศรัทธาใช่ไหม บอกขอให้พระเถรลในอุปมา ย, ยิ่งยิงขึ้นไปท่านก็เลยอุปมาเลยอ่ะเหมือนอเหมือนบุรุษคนหนึ่งเอาเข็มไงเอาเข็มไปย่างในมหาสมุทรเอาก้นเข็มมาย่างลงไปน้ํารอดรูเข็มได้นั่นแหละคือพุทธคุณนักคาถาที่อาตมาสแสดงสิบสองชั่วโมงแต่น้ําในทะเลในมหาสมุรทรทั้งหมดที่ยังไม่ได้วิ่งรอดรูเข็มนั้นคือคุณของพระบรมศาสสดาที่อาตมายังไม่ได้กล่าวนับอกโอ้โหกาสาทุบไปเรื่อยๆนี่เนีก็ถามต่อไปบอกว่า ช่วยอุปมาให้ยิ่งๆขึ้นไปได้ไหมก็บอกนกแอ่งลมไงที่บินอยู่บนอากาศปีกและหางนกแอ่งลมอ่ะถูกอากาศนั่นแหละคือพุทธคุณที่จะมาสแสดงคืนนี้แต่อากาศในจักรวาลทั้งสิ้นที่ยังเหลือนูนะ่นน่ยอากาศในจักรวาลทั้งหมดเนะี่ยที่ยังไม่ได้นำที่ยังเหลือทั้งสิ้นนั่นคือพุทธคุณของพระบรมศาสดาที่จะมายังไม่นำมาเก่าวะงั้นโอ้สาธุที่นี่นะ นีศรัทธาที่เป็นไปกับเวทนานี่เขาเรียกวเวทนาปัจจุบันหมอนี่เวทนาปัจจุบันเวทนาก่อนที่จะเกิดก่อนจะมีศรัทธาเกิดนั้นะเป็นเวทนาอดีตเวทนาที่จะเกิดในอนาคตเนี่ยเป็นการต่อไปเนี่ยอันนั้นเป็นเวทนานาคตนี่ปัจจุบันในการสรืบต่อเป็นอย่างนี้บางทีกับวิถีเดียวกันบางทีกับชวนะเดียวกันบางทีก็สมาบัตดเดียวกันแสมาบัตดเดียวกันเนี่ยในมนุษย์โรคเจ็ดวันนะ ในพรหมโลกนี่เข้าสมาบัติเป็นกลับว่าไงเห็นไหมเอางี้ถ้าทุกเวทนาของพระเทวทัต น, นั่นแหละเวทนาปัจจุบันของท่านมีเวลาหยุดไหมเวทนาของพระเทวทัตเนี่ยโอ้โหยัยงไงธโมนะเวทนาอย่างนี้ยังนะ่ะท่านร้องตลอดในขณะที่เรากําลังฟังทำท่านร้องตลอดร้องสุดชีวิตน่ะดนไฟแปดทิศฉีดเข้ามาเห็นไหมมีตะปูเท่าลําตาลตอก ติดผนังตอกจากศรีรษะกดพื้นเข้าไว้เท้าจมเข้าไปในแผ่นเหล็กลึกตัวสูงเป็นยอดยดเป็นร้อยๆยยอดร้องสุดเสียงอยู่อย่างนั้นนี่ไงโทษของการประทุษร้ายพระธรรมคาสอนของพระบรมศาสดาเป็นต้นด้วสัตว์เหล่านี้มีจริงนะพุทธญาณอน่ยงเห็นนี่ไงเวทนาของเราถามว่ากรรมที่ทาอย่างนี้เรายังมีอยู่นะเอางี้ ถ้าดูในคําสอนนะถ้าดูในคําสอนเราจะเห็นชัดเลยว่า